วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันหยุดทำงานพิเศษเนื่องจากว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่พวกเราที่เป็นลูกๆจะได้มีเวลามาลํำลึกถึงพระคุณ ของพ่อและของแม่เพราะว่าพ่อกับแม่นี้เป็นของคู่กันจะมีลูกได้ก็ต้องมีพ่อกับมีแม่มีแม่คนเดียวหรือมีพ่อคนเดียวนี้มีลูกไม่ได้จําเป็นต้องมีทั้งสองคนฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวันพ่อก็ดีวันแม่ก็ดี ก็เป็นวันที่เราจะได้มาจำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของคุณพ่อและของคุณแม่เพราะว่าถ้าพวกเราไม่มีพ่อไม่มีแม่พวกเราก็จะเกิดมาไม่ได้จะมีร่างกายนี้ได้จําเป็นที่จะต้องมีพ่อมีแม่เป็นผู้ให้กําเนิด เป็นผู้สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาให้กับเราพระคุณของพ่อของแม่ยังถือว่าเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระคุณที่ยากต่อการทดแทนให้หมดสิ้นได้ถึงแม้ว่าเราจะดูแลพ่อแม่อย่างดีเตียงดูท่านอย่างดี แบกท่านไว้บนบาบนไหลและให้ท่านอุจจาระปัสสาวะใส่เราพระคุณของท่านก็ยังใช่ไม่หมดมีทางเดียวที่จะทดแทนคุณคุณของพ่อของแม่ให้ได้หมดก็คือต้องทำให้ท่านพ้นจากกระบายให้ได้การจะพ้นจากกระบายได้นี้ ต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและตั้งมั่นอยู่ในการรักษาสีา่ห้าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะของพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง พระอริยบุคคลคือพระโสดาบันนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นธรรมท่านก็จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเห็นพระอริยสงสาวกศ์เพราะผู้ที่เห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงสาวกศ์นั่นเอเมื่อท่านเห็นทั้งพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงสาวกท่านก็จะไม่สงสัย ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือไม่พระอริยสงสาวกุกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี้ มีจริงหรือไม่พระโสดาบันนี้จะรู้จากการปฏิบัติว่าทั้งสามองค์นี้เป็นสิ่งที่มีจริงและมีคุณค่าประเสริฐยิย่งกว่าสิ่งของทั้งหมดในโลกนี้ที่เราเรียกกันว่าพระรัตนตรัยนี่รัตน์ก็คือแก้วแหวนจินดาเพชรนินจินดาต่างๆ แต่เป็นเพชรนินจินดาที่ล้ำค่ากว่าเพชรนินจินดาทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเป็นเพชรนินจินดาที่จะทำให้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อและปฏิบัติตามทำสอนได้หลุดพ้นจากกระบายและได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถที่จะทำให้ผู้ที่มีของต่างๆครอบครองอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองกองเท่าภูเขกาก็ตามไม่ว่าจะเป็นมหากษัตริย์มหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย หรือผู้ที่ได้รับเกียรติได้รับรางวัลต่างๆสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีความสามารถที่จะทำให้ผู้ครอบครองสมบัติเหล่านี้ได้ดุพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ผู้ที่ได้เข้าถึงพระพุทธพธรรมพระสง์จะเป็นผู้ที่จะสามารถที่จะ นำตนเองให้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงทดแทนพระคุณของพระพุทธมารดาก็คือพระพุทธมารดานี้หลังจากที่ได้คลอดเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกมาแล้วเจ็ดวันก็เสด็จสวรรคตไป เจ้าชายสิทธัตถาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากนาน้องสาวของแม่เป็นแม่เลี้ยงเลี้ยงมาจนโตพอพระพุทธเจ้าได้ออกบวชและได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าก็ล้ำลึกถึงพะกุลของพุทธมันดาที่ได้จากโลกนี้ไปเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วทรงมีพระญาณ สามารถอย่างทราบได้ว่าพระพุทธมารดา น, นั้นไปจุติไปเกิดอยู่ที่ไหนก็คือไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพจึงติดต่อกับพระพุทธมารดาและโปรดแสดงธรรมให้กับพุทธมารดาอยู่หนึ่งพัน ส, าสาเดือนด้วยกันจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา ได้บุญพ้นขั้นแรกคือบุญพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในอบายต่อให้เคยทำบาปทากรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปแล้วนี้จะไม่ต้องไปชดใช้เวรกรรมไปเกิดในอบายต่อไปถ้าโสดาบันนี้ก็จะ สามารถปฏิบัติทมต่อไปได้ด้วยตนเองไปขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ตามลำดับจนถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนายตายพบอย่างสิ้นเชิงนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพุทธมารดาของพระองค์ ได้สอนได้ทำให้พุทธมารดานี้ได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบตามลำดับต่อไปอันนี้แหละคือวิธีที่นักปราชญ์คนฉลา ด, ลาดที่เห็นความสำคัญของประคุณของบิดาและมารดา ของพ่อของแม่นะก็พยายามที่จะทดแทนบุญคุณตามกําลังของตนซึ่งพระพุทธเจ้านี้มีความสามารถที่จะสอนให้คนเป็นพระอริยบุคคลได้สอนให้เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคาเมพระอนาคามีและพระอรหันต์ได้ก็เลยใช้ความรู้ความสามารถนี้ สั่งสอนให้กับพุทธมารดาส่วนพุทธบิดาก็ได้สอนให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตไปการที่มีลูกเป็นพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะจะได้เกาะติดชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไปนิพพานก็สามารถเกาะติดชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าไปได้ในเมืองพุทธเราในประเทศไทยของเราจึงมีธรรมเนียมมีความเชื่อว่าลูกชายนี้ต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณให้แก่พ่อแม่เพราะว่าถ้าลูกได้บวชแล้ว ก็เหมือนว่าลูกได้ไปนิพพานได้ไปสวรรค์ได้พ้นจากอบายพ่อแม่ก็จะได้อาศัยเกาะชายผ้าเหลืองของลูกเพื่อลูกจะได้เพิ่มพ่อแม่จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายและได้ไปนิพพานตามลูกอันนี้เป็นธรรมเนียมความเชื่อเนื่องจากดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงออกบวชแล้วหลังจากบวชแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุถึงพระนิพพานแล้วพระองค์ก็มาโปรดบิดาและมารดาของท่านสอนให้บิดาและมารดาได้บรรลุพระอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลอันนี้เลยเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราในประเทศไทยที่ถ้ามีลูกชาย อายุที่บวชได้คืออายุยี่สิบปีขึ้นไปนี้จะบวชให้บิดามารดาทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาเพราะว่าถ้ามีลูกชายเป็นพระนี่ก็จะได้มีโอกาสเกาะติดชายผ้าเหลืองของลูกชายไปสวรรค์ไปนิพพานได้ด้วยเพราะว่าถ้าลูกชายบวชจริงๆ แล้วศึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ก็จะมีความสามารถที่จะสั่งสอนบิดามารดาของตนให้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้อันนี้ก็วิธีทดแทนบุญคุณของชาวพุทธเราชาวไทยพุทธเหล่านี้ จะถือการบวชนี้เป็นภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของลูกๆของลูกที่ให้มีให้กับพ่อกับแม่แต่ต้องเป็นการบวชจริงเป็นการบวชไม่ได้บวชแล้วศึกการบวชแล้วสึกนี้เป็นเรื่องพิธีกรรมไปบวชเป็นธรรมเนียมไปบวชเป็นพิธีกรรมบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ไ ม, ไ, ไม่ได้บไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานการบวชแบบนี้ก็จะไม่ยังประโยชน์ให้กับผู้ที่บวชรือผู้ที่บวชก็ยังไปไม่ได้ถึงนิพพานยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเพราะว่าถ้าบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี้รับประกันได้ว่าจะไม่สึกจะไม่ลาสิกขา แต่ถ้าบวดสามเดือนแล้วก็ศึกไปหรือบวชเดือนหนึ่งบ้างยิ่งสมัยนี้ยุคปัจจุบนันนี้หาเวลาบวชยากเพราะต้องไปทำงานทำการที่ไม่สามารถลาบวชได้เป็นเวลายาวนานการบวชที่เคยบวชสามเดือนในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้ก็กลายเป็น บวชเดือนหนึ่งบ้างสิบห้าวันบ้างหรือเจ็ดวันบ้างหรือบางกรณีก็บวชเช้าสึกเย็นก็มีเช่นบวชในบวชหน้าฝ่บวชในงานศพเวลาพ่อแม่ตายไปก็บวชให้พ่อแม่เพราะคิดว่าถ้าบวชแล้วจะได้ส่งพ่อแม่ให้ไปสวรรค์ได้ไม่ให้ไปเกิดในอบายแต่ตามหลักความจริงนี้ บวชแบบนี้ช่วยไม่ได้เพราะว่าการบวชนี้เบื้องต้นบวชเพื่อให้ผู้บวชเองนี้ได้หลุดพ้นจากกระบายก่อนให้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลก่อนแล้วเมื่อได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วถึงค่อยไปสอนพ่อแม่อีกครับ อ, อีกทอดหนึ่งสอนวิธีที่จะทำให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล พ่อแม่ถึงจะสามารถบรรลุปเป็นพระอาริยบุคคลได้หลุดพ้นจากอบายไดแลนนี้คือการบวชสมัยนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นการบวชตามธรรมเนียมตามประเพณีเป็นบวชแบบพิธีกรรมไม่ได้บวชแบบเอาเนื้อเอาหนังจากการบวชเพราะการบวชที่จะได้เนื้อได้หนังนี้ จำเป็นต้องบวชแล้วก็ศึกษาก็ทํารํคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังศึกษาวิธีการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างเมื่อได้ศึกษาแล้วรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรมากก็ต้องไปปฏิบัติต่อเอาสิ่งที่เรียนรู้นี้ไปปฏิบัติต่อ ปฏิบัติไปจนกว่าจะได้บรรลุมรควนที่พานขึ้นมาตามลําดับยึงจะสามารถไปโปรดบิดามารดาของตนได้ไปสอนธรรมะให้แก่บิดามารดาเพื่อให้บิดามารดาได้ปฏิบัติตามถึงจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ถึงแม้ว่า ถ้าลูกบวชแล้วแต่บิดามารดาไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการบวชของของลูกชายนั้นเงื่อนมันมีเงื่อนไขที่จะทำให้การเกาะชายผ้าเหลืองนี้เป็นไปได้เป็นไปตามความเป็นจริงคือข้อหนึ่งก็คือ ลูกชายที่บวชนี้ต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่ศึกษาและปฏิบัติและอยู่เพียงสามเดือน<ม>แล้วก็ลาสิกขาไปตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุก็เป็นเหมือนกับถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนแค่สามเดือนแล้วก็ลาออกจากมหาลัยก็ไม่ได้ปริญญาเรียนไม่จบปริญญา เพราะการจะเรียนให้จบปริญญานี้จำเป็นที่จะต้องเรียนให้ครบหลักสูตรซึ่งใช้เวลายอย่างน้อยก็สี่ปีด้วยกันถึงจะจบปริญญาได้อันนี้ก็แบบเดียวกันถ้าบวชเป็นพระต้องศึกษาและปฏิบัติจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลถ้าศึกษาปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ในพระสูตคือสติปฐานสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใครสามารถปฏิบัติตามคำสอนในสติปฐานสี่ได้ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างอย่างเร็วก็ภายในเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าเจ็ดเดือนไม่ได้ก็ภายในเจ็ดปี พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับทางโลกที่เขาเรียนกันสี่ปีทางศาสนาก็เรียนกันและปฏิบัติกันก็จะสามารถจบหลักสูตรได้ถ้าเป็นคนฉลาดคนเก่งก็สามารถทำได้ภายในเจดวันถ้าไม่เก่งหรือฉลาดปานกลาง เก่งปานกลางก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าเก่งแบบไม่ไม่มากก็จะได้ใช้เวลาประมาณเจ็ดปีด้วยกันก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้อันนี้เงื่อนไขแรกของการที่จะทำให้ธรรมเนียมของการบวชของการเกาะชายผ้าเหลืองนี้เป็นไปตามความจริงได้นะ ผู้บวชคือลูกชานี้ต้องบวชนักศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุรพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก่อนแล้วก็นำเอาไปสั่งสอนบิดามารดาอาบิดามารดามีศรัทธามีความเชื่อมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเป็นเกิดนอยบาย หลุดพ้นจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพในสังสารวัฏก็จะเชื่อฟังคำสอนของพระลูกชายแล้วถ้าเมื่อเชื่อฟังคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอันนี้แหละคือเงื่อนไขของการบวช ของการเกาะชายผ้าเหลืองของการทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาต้องทําตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติได้กระทํามาพระพุทธเจ้าทรงออกบวชหลังจากตัดสรลิบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ไปโปรดบิดามารดาไปสั่งไปสอนให้บิดามารดาได้รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ว่าหลดพ้นได้อย่างไรพอสอนเสร็จบิดามารดานำมาไปปฏิบัติได้ก็บรรลุพุทธามารดาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนส่วนพระพุทธบิดาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้คือธรรมเนียมของการทดแทนบุญคุณของชาวพุทธเราชาวพุทธไทยเรา ถ้าเราเป็นลูกชายนี่เราต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกชายเมื่อได้อายุครบบวชการจะบวชในพระพุทธศาสนาได้นี้ต้องมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ถ้าตามกว่านั้นยังถือว่ายังเด็กไปก็จะให้บวชเป็นสา ม, มเณรไปก่อนสา ม, มเณรนี้ยังไม่ได้ ร, รักษาศีลครบแบบพระสามเณรก็จะงถือศีลสิบ ส่วนถ้าบวชเป็นพระก็จะถือศีล227ข้อ<ม>การจะบวชการจะปฏิบัติให้หลุดพ้นได้นี้ต้องปฏิบัติธรรมสามขั้นสามขั้นด้วยกันที่เรียกว่าไตรสิกขาใจแปลว่าสามสิก ข, ขาก็คือการศึกษาต้องศึกษาธรรมะสามขั้นและปฏิบัติธรรมะทั้งสามขั้นนี้ ก็คือศีลสมาธิและปัญญานี่ยําเป็นที่จะต้องสร้างศีลขึ้นมาเพื่อเป็นบันไดขั้นแรกถ้ายังไม่มีศีลนี้จะก้าวไปสู่ขั้นสมาธิขั้นที่สองและขั้นที่สามคือปัญญาไม่ได้จาเป็นที่จะต้องสร้างศีลขึ้นมาก่อนก็ต้องบวชกันต้องบวชบวชเป็นพระบวชเป็นพระแม่ชีเป็นต้น แม่ชีก็ทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาได้ด้วยการบวชเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยนิยมพูดถึงกันเพราะว่ามีมีผู้ที่เป็นแม่ชีน้อยและไม่ค่อยมีข่าวข่าวเรื่องของการที่แม่ชีได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันไม่เหมือนกับเรื่องของพระเรื่องของพระนี่เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังกันอย่าง อย่างกว้างขวางและได้ยินได้รู้ว่ามีพระที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจนํานวนมากมาตามลำดับตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในประเทศไทยนี้ก็จะมีการบวชมีการศึกษามีการปฏิบัติแล้วก็มีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงยุคปัจจุบันนี้แต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมีไว้สำหรับเฉพาะลูกชายเท่านั้นลูกหญิงถ้ามีบุญมีวาสนามีบารมีมก็อาจจะบวชเป็นแม่ชีและศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เช่นเดียวกัน แม้ในยุคปัจจุบันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังว่ามีแม่ชีบางท่านบางองค์ที่ได้บวชได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันก็มีเพียงแต่ว่ามีน้อยมากน้อยกว่าพระภิกษุพระภิกษุนี้จะมีมากกว่าพระภิกษุถ้าแม่ชีหรือภิกษุณี แต่ก็มีอยู่เพราะว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี้ไม่ได้จำกัดเพศจำกัดวัยไม่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ชายเป็นเพียงอย่างเดียวผู้หญิงก็สามารถศึกษาและปฏิบัติได้เช่นเดียวกันและบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกัน อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยในสมัยพุทธกาลนี้มีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติมีผู้ออกบวชกันนี้เป็นจำนวนมากมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กมีทั้งสัมมาเนสัมมาเนก็บรรลุมักผลนิพพานได้ก็มี ยังไม่ได้อยู่ที่เพศเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันของเรานี้เรามักจะเห็นมีแต่ลูกชายไปบวชให้กันก็เลยไม่ได้พูดถึงลูกลูกลูกสาวแต่ความจริงแล้วลูกสาวถ้าอยากจะโทษแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาด้วยการบวชก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันถ้าบวชแล้วบรรลุมรรคผลที่พานได้ ก็สามารถไปสั่งสอนบิดามารดาได้สอนให้บิดามารดาได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่การจะสอนใครนี้ก็ต้องดูว่าเขายินดีที่จะรับคำสอนหรือไม่เขายินดีที่จะศึกษาหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีก็สอนไม่ได้ถ้าบิดามารดาของเรา ไม่สนใจเรื่องธรรมะไม่สนใจเรื่องศาสนาเพราะยังถูกกำลังของโมหะอาวิชชาครอบงำอยู่ชอบหาราบยศสรรเสริญสุขชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายชอบหาเงินหาทองเพื่อจะได้เอามาใช้ซื้อของต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่สนใจที่จะเข้าวัดทดําบุญทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไปไปสอนคนที่เขาไม่สนใจเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับเทน้ำใส่แก้วที่คว่ำอยู่เวลาเราจะเทน้ำใส่แก้วเราต้องดูว่าแก้วนี้คว่มหรือหงาย ถ้าแก้วมันคว่มอยู่เทน้ำเข้าไปเท่าไหร่น้ำก็ไม่เข้าไปในแก้วน้ามันคว่้แก้วมันคว่มอยู่มันไม่สามารถรับน้ำได้ต้องพลิกแก้วให้มันหงายขึ้นมาก่อนถึงจะสามารถเทน้ำใส่ไปในแก้วได้อั้างใดการสั่งสอนผู้นก็เช่นเดียวกันต้องดูว่าใจเขาหงายหรือใจเขาควา่าใจก็เป็นเหมือนแก้ว ใจความก็คือใจที่ไม่สนใจไม่อยากจะฟังพอพูดเรื่องธรรมะก็เดินหนีไม่อยากจะฟังอย่างนี้ก็สอนไม่ได้แต่ถ้าพูดธรรมะแล้วสนใจตั้งใจฟังแล้วก็สอบถามอยากจะรู้อยากจะเห็นมากขึ้นอันนี้แหละแสดงว่าเป็นใจที่หงายเหมือนแก้วใจหงายใจที่พร้อมจะรับธรรมะ จึงจะสามารถสอนธรรมะให้กับผู้ผู้นั้นได้ยังมีธรรมเนียมของชาวพุทธเราว่าเวลาที่จะฟังธรรมนี้ต้องมีการอราธนาต้องมีการเชิญพระมาแสดงอยู่ดีๆพระจะไม่ไปที่บ้านของเราหรือไปที่ไหนแล้วก็แล้วก็จะไปเทศไปแสดงธรรมให้เราฟัง พอพระไม่รู้ว่าเราอยากจะฟังหรือไม่เดี๋ยวไปแล้วเกิดไม่มีไม่มีคนฟังพอพูดตั้งนมโม ค, คนเดินหนีหมดอย่างนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นจะมีธรรมเนียมว่าก่อนจะฟังธรรมนี้จะต้องมีการอาราธนาธรรมก่อนอาราธนาให้พระแสดงธรรมโปรดญาติโยมอนนี้ก็คือเรื่องของ ธรรมเนียมของการที่จะทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ต้องดต้องทดแทนด้วยการทำให้บิดามารดานั้นหลุดพ้นจากการไปเกิดนอบายหรือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสิ้นเชิงตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา แต่ก่อนที่จะไปสอนบิดามารดาได้ลูกชายก็ต้องสอนตนเองก่อนต้องเรียนก่อนต้องศึกษาจากพระอริยบุคคล <c oughs> รูจรร้จากพระรัตนตรัยก่อนจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ได้ความรู้ที่ถูกต้องร้อยเป์เซ็นต์และพอได้ความรู้ที่ถูกต้องร้อยเป์เซ็นต์ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างก็นำมาไปปฏิบัติการศึกษาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติสามขั้นตอนนี้กัน ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการรักษาศีลขั้นตอนที่สองก็คือการฝึกสมาธิขั้นตอนที่สาคือการเจริญปัญญามีสามขั้นตอนด้วยกันที่เราเรียกว่าไตรสิกขาไตรแปลว่าสาสิกขาแปลว่าการศึกษาปฏิบัติศึกษาปฏิบัติศีนศึกษาปฏิบัติสมาธิศึกษาปฏิบัติปัญญา เราก็ต้องไปเริ่มต้นที่ศีลก่อนว่าศีลมีอะไรบ้างเบื้องต้นก็มีศีลขั้นต่ําก่อนศีลขั้นต่ําก็คือศีลห้าศีลห้าเรามีกันหรือยังเรารักษาศีลห้ากันได้หรือยังเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดและดื่มสุรายาเหล้าออได้หรือยัง ถ้าเราต้องการที่จะไปมรรคผลไปดุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เราไปดื่มสุราไม่ได้แนละ้วไปเสพอบายามุกไม่ได้นอกจากสุราแล้วก็ไม่ควรที่จะไปเล่นการพนันไม่ควรที่จะไปเที่ยวเที่ยวกางคืนเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ควรมีความเกียดคร้าน เพราะการกระทําเหล่านี้เป็นการขวางการเจริญสู่พระนิพานสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุมรรคผลนิพานบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี้จําเป็นที่จะต้องละการเสพอบายมุขแล้วก็ละการกระทําบาปคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดตเวณี แล้วก็พูดปดโกหกลอบรวงเป็นขั้นต้นของศีล น, นี่เป็นศีลพื้นฐานเป็นศีลขั้นเริ่มต้นเราต้องตรวจตาว่าเรามีศีลห้าหรือยังถ้าเรามีศีลห้าเรารักษาศีลห้าได้อย่างมั่นคงแล้วเราก็ต้องขยับขึ้นสู่ศีลแปดต่อไปศีลแปก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกสข้อแล้วก็เปลี่ยนศีลข้อสีข้อการเข้อสาม จากกาเมมาเป็นอบรมจริยาสองข้อนี้ต่างกันอย่างไรกาเมสุมิฉาจารานี้หมายถึงว่าไม่ให้ร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่คร อ, องของเราอนุ ญ, ญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่คร อ, องของเราได้เพียงอย่างเดียวกาเมสุมิฉาจาราแต่ทอมาเปลี่ยนเป็นอบรมัจจลิยาเวรามณีนี้เป็นข้อห้า 5, ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครเลย ผู้ที่ต้องการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานต้องการเปึนพระอริยบุคคล น, นี้จะต้องไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้ผู้อื่นให้ละเว้นกิจกรรมก า, มกามรมากิจเนี่ยกามรมากิจเธอกิจที่เกี่ยวกับการร่วมเพศนี่เองเรียกว่ากามรมากิจเนี่ินข้อสารของสินแปลกก็เป็นอัปป ร, รมัจริริยาไม่ร่วมหลับนอนกับใคร ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันแล้วก็มาเพิ่มสีข้อหกคือการละเว้นการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วข้อนี้เพื่อที่จะทำให้เราไม่รับประทานอาหารมากเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการกินการดื่มให้กินอาหา ร, ด, าหารดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มแบบเป็นยารักษาโรคคือรักษา โลกของความหิวของร่างกายให้กินเหมือนกินยาไม่ได้ให้กินเพื่อให้เกิดความนื่นเบล์มันเทิงใจไม่ได้กินเพื่อเกิดความสนุกสนานเกิดความสุขใจจากการรับประทานอาหารเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ปลอมแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสมาธิและปัญญาตามลำดับต่อไป เพราะถ้ากินมาก่ากมันก็จะทำให้ขี้เกียจทำให้อยากนอนทำให้ง่วงเหงาเหานอนจะไม่อยากจะไปปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองก็เลยจาเป็นที่จะต้องห้ามเรื่องการรับประทานอาหารให้รับประทานได้แต่เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเพื่อดับความหิวเพื่อป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว กกินวัละหนึ่งครั้งก็รือสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าหลังจากเที่ยงวันจะได้เอาเวลานี้มาให้กับการบำเพ็ญขั้นสมาธิก็คือการเจริญสติก่อนแล้วค่อยไปนั่งสมาธอมิอันนี้จำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดถึงจะช่วยให้การบำเพ็ญสมาธินี้ เป็ไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคถ้าถือศีลห้าแล้วมันจะมีอุปสรรคมันจะไม่มีเวลาเพราะจะเอาเวลาไปใช้กับการกินการเที่ยวการดูการฟังได้เพราะศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามเห <Yeah. S 1> มือนกับศีลแปดเช่นศีลข้อเจ็ดนี้ก็ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากการดูการฟังการร้องปลาทําเพลงการไปสถานบันเทิงต่างๆ การไปดูมหหรสกนี่และการเสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าภรอนที่สดใสสีสดใสสีฉูดฉาดและเสริมความงามทางร่างกายด้วยเครื่องสำอางต่างๆเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของกามากิจทั้งนั้นเป็นเรื่องของการเสกกรรมซึ่งเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ จะกลายเป็นความทุกข์ต่อมาเมื่อไม่สามารถกระทำกิจเหล่านี้ได้จึงต้องละเว้นกิจกรรมอัอนนี้เสียเพื่อที่จะได้มีเวลาเอามาให้กับการปฏิบัติทำขั้นแรกก็คือขั้นสมาธิแล้วก็สีลข้อ8ก็คือไม่ให้หลับนอนบนเสียงที่สำลาญ เตียงใหญ่ๆฟูกนานนเตียงที่สบายนอนแล้วมันจะติดนอนอยากจะนอนมากไม่อยากจะลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมยังให้เปลี่ยนการนอนบนให้ให้นอนบนพื้นที่แข็งๆปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสื่ออันนี้จะนอนไม่ได้นานเพราะร่างกายได้พักผ่อนประมาณสัก4ี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมา แล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันไม่สบายพื้นที่พื้นที่นอนมันแข็งมันไม่สบายเหมือนกับนอนบนเตียงสํารานเตียงใหญ่ๆเตียงที่มีฟูกหนาๆก็จะได้รีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาเวลาอันมีค่านี้มาให้กับการปฏิบัติทําขั้นสมาธิ น, นี่คือขั้นของศีลเริ่มต้นนี้จะต้อง เก้าจากศีลห้าไปสู่ศีลแปอันนี้สาหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆยังไม่ได้เป็นนักบวชคือเป็นผู้ที่ยังเป็นผู้คลองเรือนอยู่แต่อยากจะมาทดลองหาหาความสุขจากการปฏิบัติดูว่าเป็นอย่างไรก็ อ, อันนี้เขาเรียกว่าศีลของอุบาสกอุบาสิกาอเป็นผู้คลองเรือนแต่ในวันที่หยุดทำงานในเวลาว่าง ก็อยากจะลองไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดูก็ให้ถือศีลแปดไปก่อนแล้วถ้าได้ถือศีลแปดไปแล้วได้ไปปฏิบัติธรรมจนได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมเห็นว่าลถของผลที่ได้จากการปฏิบัตินี้มีความสุขมากมีคุณค่ามีราคามีประโยชน์ต่อจิตใจก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ ตอนต้นก็อาจจะปฏิบัติวันละอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นวันวันหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันพระแล้วแต่วันไหนที่เราหยุดทํางานได้เราก็เอาวันหยุดนี้ไปให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปที่วัดเนี่ยไปอยู่ที่วัดสักหนึ่งคืนหนึ่งวันหรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้ามีเวลาว่างถ้าเราได้เริ่มปฏิบัติแล้วเราพอเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรม คือความสงบที่มีความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่จะทำให้เกิดมีความยินดีมีความอยากที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็จะอาจจะเพิ่มวันปฏิบัติให้มากขึ้นจากวันหนึ่งเป็นสองวันเป็นสามวันหรือบางทีก็อาจจะขอลาพักงานเป็นเดือนเพื่อไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเลยก็ได้ แล้วถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆเห็นมีคุณค่ามีประโยชน์มากขึ้นก็อาจจะตัดสินใจลาออกจากงานเงยก็ได้แล้วก็ไปบวชอย่างถาวรถ้าเป็นผู้ชายก็ไปไปบวชเป็นพระถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปบวชเป็นแม่ชีแม่ชีก็ถือศีลแปนี้ก็พอถ้าเป็นพระก็ต้องไปสือส้อศีลสองร้อยยีบเจข้อนี่คือขั้นของศีล ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องก้าวขึ้นไปตามลําดับตามกําลังเบื้องต้นก็เอาแค่ศีลห้าข้อก่อนถ้าห้าข้อยังไม่ได้นี่จะไปรักษา8ข้อหรือสองร้ข้อนี้ย่อมเป็นไปได้ยากก็ต้องลองฝึกรักษาศีลห้าไปดูก่อนถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ไปลองเพิ่มเป็นศีลแปดถ้าศีล8ได้รู้ว่าสามารถบวชเป็นพระถือศีลสองร้ได้ ก็ไปบวชถ้าเห็นว่าการบวชการศึกษาปฏิบัติต่างคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะนามาซึ่งผลอันเลิศอันประเสริฐคือการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะตัดสินใจออกบวชกัน อ, อ, อันนี้แหละคือการบวชที่แท้จริงต้องบวชแบบนี้ต้องบวชแบบมีกฎมีมีหลักมีเกณฑ์ ให้รู้ว่าเราเราต้องทำอะไรบ้างเราทำได้หรือไม่ไม่ใช่บวชตามประเพณีตามธรรมเนียมพอถึงอายุยี่สิบก็บวชทดแทนให้พ่อแม่บวชแค่สิบวันบ้างสิบห้าวันบ้างแล้วก็ถือว่าจบบวชเสร็จก็เสกออกมาทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากมายเลยได้อย่างมากก็รักษาสิงห์สองยีบเจ็ดข้อไป แต่รักษาได้อยู่ได้ไม่นานเพราะก็รักษาไม่ไหวที่ต้องลาสิกขากันเ็เพราะว่ารักษาศีลของพระไม่ได้กันนั่นเองถ้ารักษาศีลของพระได้นี้ก็จะอยู่ต่อได้อันนี้ก็คือขั้นของศีลที่ผู้ปฏิบัตินี้จำเป็นที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติทดลองดูว่ารักษาศีลได้ขั้นไหนขั้นศีลห้า ด้วยขั้นศีลแปดด้วยขั้นศีลสองอยี่บเจ็ดพอเรารักษาขั้นศีลแปดด้วยขั้นศีลสองอยี่บเจ็ดได้นี้เราก็จะมีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติขั้นที่สองก็คือขั้นสมาธิจากศีลเราก็จะก้าวสู่การปฏิบัติสมาธิ mm hmm. การปฏิบัติสมาธินี้เราต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ mm hmm. ถึงแม้เวลามาบวชแล้วก็ไม่ควรที่จะไป ทำกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเนยเช่นอย่าไปทำไปทํางานก่อสร้างเนะี่ยบวชแล้วก็ไปช่วยสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้า ง, JD, างกุฏิหรือทํางานอะไรต่างๆแบบนี้ถ้าบวชเพิ่มมรผลนิพพานนี้ต้องไปบวชที่วัดที่ไม่มีการก่อสร้างจะดีกว่าถ้าไปอยู่ที่วัดมีก่อสร้างหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็อาจจะต้องไปทํากิจกรรมร่วมกับวัดนั้นเขา ฟังวัาก็มีเมนเผาศพมีการสวดศพอะไรเป็นต้นก็จะต้องไปทำกิจเหล่านี้เวลาที่จะเอามาใช้กับการปฏิบัติสมาธิและปัญญาก็จะไม่มีถ้าต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพานนี้เวลาบวชก็ต้องเลือกวัดเลือกว่าเป็นวัดปฏิบัติหรือไม่เป็นวัดปฏิบัติถ้าไม่เป็นวัดปฏิบัติก็อย่าไปบวชเพราะจะไม่ได้ปฏิบัติเราไปปฏิบัติคนเดียว คนในวัดคนอื่นเขาไม่ปฏิบัติมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ลองไปอยู่วัดที่เขามีการปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติร่วมกันได้นี่ก็คือขั้นขั้นขันสมาธิขั้นปฏิบัติสมาธิขั้นรักษาศีลสองนี้ถ้าอยากจะบวชก็ต้องไปหาวัดหาวัดที่เป็นวัดปฏิบัติจริงๆวัดปฏิบัตินี้มักจะไม่มีกิจภารกิจอย่างอื่น แม้แต่กิจนิมนต์ก็จะไม่มีไม่รับไม่ให้ไปรับกิจนิมนต์ให้อยู่แต่ในวัดมีกิจอย่างเดียวก็คือกิจบินตาบาทสมัยปฏิบัตินี่จะมีกิจบินตาบาทเป็นกิจประจำให้ออกไปบินตบาทเลี้ยงชีพพอกลับมาจากบินตาบาตก็อามาฉันมาแบ่งกันที่ศาลา<ม>แล้วก็ฉันมื้อเดียวฉันไในบาทพระปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้จะ จะอยู่จะกินอยู่แบบมากน้อยสันโดษกินมื้อเดียวอาหารก็สันโดษยินดีตามมีตามเกิดมินทบาทได้อะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิดจะไม่ไปเรียกร้องให้ญาติโยมทำอาหารชนิดนั้นชนิดนี้จะไม่ไปเลือกอาหารว่าจะกินแต่เจอาหารเจเนื้อาาเนื้อสัตว์จะไม่กินอย่างนี้ทำไม่ได้ถ้าเป็นพระ พระนี่มีธรรมเนียมคือสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดญาติโยมเขากินอะไรเขาจะแบ่งอะไรที่เขากินมาให้เราเราก็รับไว้่วนเราจะกินไม่กินนี้เราก็เลือกได้แต่ไปบอกเขาไม่ได้ว่าเรากินเจ น, นะเราไม่กินเนื้อสัตว์นะอย่าใส่เนื้อสัตว์ให้กับเรานี่ยพูดไม่ได้อันนี้แล้วแต่คนใส่เพราะคนใส่นี่มีหลากหลายบางคนก็กินเจนก็มี บางคนก็ไม่กินเจนก็มีถ้าเราไปตั้งเงื่อนไขมันก็เป็นหนุนเกี่ยวกับการไปไปกีดกั้นการทําบุญของเขาเพราะจะทําบุญกับเราแต่บอกว่าแต่เขากินเนื้อสัตว์เราไม่กินเนื้อสัตว์เขาก็ใส่บาตรให้กับเราไม่ได้มันก็จะทําให้เขาอาจจะเสื่อมศรัทธาว่าพระนี้ทําไมจูจ้จี้จุกจิกเหลือเกินอันนี้ถึงต้องใช้หลักมากน้อยสันโดษถ้าเป็นพระนี้ต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษกินแบบมากน้อยสันโดษ บินบาตอาหารได้มาตามมีตามเกิดแล้วก็ให้อยู่กินแบบเรียบง่ายก็เอาอาหารใส่ไปในบาตไม่ต้องมีภาชนะแยกมีชามมีถ้วยมีจานมีอะไรต่างๆเอาอาหารทั้งข้าวทั้งหวานใส่รวมไปในบาตเพื่อความสะดวกเพื่อความเรียบง่ายเพราะเวลาละเวลาฉันเสร็จก็จะได้ล้างบาทเพียงใบเดียว ไม่ต้องมาเสียเวลากับการล้างเจาะล้างจานล้างชอ้อนล้างอะไรถ้วยอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของภาพปฏิบัติท่านจะถือธุดงควัตรกันทุดงควัตรก็นี่แหละการบินทบาตก็เป็นธุดงควัตรการฉันในบาทก็เป็นทุดงควัตรการฉันมือเดียวก็เป็นทุดงควัตรอันนี้เราสิ่งเรียกภาะพา พ, าพปฏิบัติว่าเป็นพระธุดง์เนี่ย คำว่าทุดดงนี้ไม่ได้หมายคำว่าจะต้องแบกกรดแล้วเดินไปตามถนนหนทางให้ชาวบ้านเขาเห็นว่า น, นี่เราเป็นพระทุดดงเลยอันนี้ไม่ใช่คําว่าทุดดงนี้ก็คือการปฏิบัติข้อวัดที่ที่ที่มักน้อยสันโดษของพระถือว่าเป็นทุดดงขวัตแต่ก็มีข้อหนึ่งที่ให้ไปไปปีกวิเวกอยู่ในป่าอยู่ตามป่าตามเขาอันนี้ก็เป็นทุดดงขวัต อยู่คนไม้เนี่ยพวกเจ้าสอนให้พระนี้อยู่คนไม้อยู่ตามคนไม้จะไปอยู่คนไม้ก็ต้องอยู่ในป่าป่าจะมีไม้เยอะให้อยู่ในตามป่าตามเขาเพราะเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกที่เอื้อต่อการปฏิบัติสมาธิและปัญญา น, นั่นเองอันนี้ก็สำหรับผู้ที่จะคิดอยากจะบวชนี่รับปฏิบัติก็ต้องไปศึกษาดูว่า วัดที่เราจะไปบวช ด, ด้วยนี้เขามีการศึกษามีการปฏิบัติหรือไม่ถ้าเขามีกิจกรรมอย่างอื่นมีการเรียนหนังสือเรียนหลักสูตรต่างๆหลักสูตรนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกหลักสูตรบาลีปา ร, รีณหนึ่งถึงปารีณเก้าอนี้ถ้าต้องไปอยู่วัดแบบนี้ก็จะไม่สามารถไปไปปฏิบัติได้เพราะเจ้าว่าเขาก็จะ ตังเงินไขว่าถ้าจะบวชที่วัดเขานี้ก็จะต้องศึกษาต้องทําตามที่เขาทํากันวัดเขาวัดเขามีการเรียนนักธทมตีโทอเองก็ต้องเรียนมีการเรียนบาลีก็ต้องเรียนเพราะฉะนั้นวัดที่ไม่ปฏิบัตินี้ก็มักจะไม่มีการปฏิบัติมีแต่การเรียนเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติทุดงเขวัดไม่ปฏิบัติ กรรมฐานคือการนั่งสมาธิด้วยการใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบ mm hmm. นี่คือขั้นของผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อที่จะได้ทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาได้อย่างแท้จริง mm hmm. ก็ต้องบวชแบบจริงจังบวชเพื่อบรรลุมรรคผลที่ผ่าน เอวชบรรลุมรกผลนิพพานได้แล้วก็ไปโปรดบิดามารดาได้ไปเยี่ยมบิดามารดาไปสนทนาธรรมกันแล้วถ้าบิดามารดาสนใจ<ม>ก็อาจจะถามถามถามเราก็จะตอบได้เพราบิดามารดาถ้าเป็นลูกนีงจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเกรงใจอยากจะรู้อะไรก็ถามได้แต่ถ้าเป็นพระลูกอื่นที่ไม่ได้เป็นลูกนี้ก็อาจจะเกรงใจไม่กล้าถาม บางทีธรรมะบางข้อไม่เข้าใจก็เกรงใจไม่กล้าถามแต่ถ้าเป็นลูกนี้ก็รู้ว่าเป็นลูกถามได้อยากจะถามอะไรก็ถามได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พิเศษกรณีหนึ่งสำหรับลูกกับกับพ่อแม่เพราะมีความสนิทสนมกันสามารถที่จะถามอะไรที่ปกติจะอาจจะไม่กล้าถามบุคคลที่ไม่รู้จักกันอันนี้ก็จะทําให้การศึกษาเข้าใจได้ง่าย และดีขึ้นและจะได้นําเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อได้เพื่อที่จะได้บรรลุทำขั้นต่างๆได้ น, นี้ก็คือขั้นศีลขั้นบวชเมื่อบวชแล้วทีนี้เราก็ต้องทําขั้นปฏิบัติสมาธิเป็นขั้นต่อไปศีลแล้วก็สมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิคื อ, คอการทําใจให้สงบนเ่งนี่ว่าสมาธิให้ใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบ คว่าสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในความสงบ<ม>การที่ใจจะตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ต้องมีสติเป็นผู้ดึงให้เข้าไปอยู่ในที่สงบปกติใจของเรานี้จะถูกกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้คอยดันคอยดึงให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยๆไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวต้องอยากดูนั่นอยากฟังนี่อยากกินนั่นอยากดื่มนี่อันนี้เป็นจิตของผู้ที่ไม่ได้มีสมาธิจะเป็นอย่างนี้จิตจะไม่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบจิตจะตั้งอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผธธุดทะจะคิดจะสรรหาจะไฝ่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ดูก็ต้องฟังไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังก็ต้องกินไม่นั่งกินก็ต้องดื่ม ต้องมีอะไรมาเลี้ยงตาหูจมกูกเลี้ยกายอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยให้จิตเป็นอย่างนี้จิตก็จะไม่มีวันสงบได้จิตก็จะมีการทํางานมีการคิดปรุงแต่งมีการไปเอานั่นเอานี้ไปกินนั่นกินนี่อตลอดเวลาจิตก็เลยจะไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเลยงนั้นการที่จะทาจิตใจให้สงบได้นี้จำเป็นที่จะต้องมีธรรมะคือสติ สตินี่เป็นธรรมที่สำคัญต่อการปฏิบัติอย่างยิ่ง <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีสติแล้ว <Yeah. S 1> นั่งสมาธิย่างไรใจก็จะไม่สงบใจก็ยังจะอดคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้ยึงต้องเจริญสติก่อนที่จะมานั่ง <Yeah. S 1> การเจริญสติเพื่อกันไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองวิธีเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันมีแต่วิธีที่เราได้ยินได้ฟัง ที่ง่ายๆก็คือการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเพราะว่าถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธความคิดก็จะไปคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้นั่นเองเพราะจะต้องมาคิดแต่คําบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้เป็นวิธีการไม่ให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปอยากอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอะไรต่างๆ ต้องมีสติต้องคอยเจริญสติสำหรับนักปฏิบัติที่ต้องการที่จะได้มากผลจริงๆนี้เราจะเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาถึงเวลาหลับเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุทโทเลยคุมความคิดไว้ไม่ว่าจะไปทำอะไรทำหน้าที่อะไรไปล้างหน้าแปรงฟันไปอาบน้ำไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปรับประทานอาหารหรือทาอะไรนี้จะไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเลย ย้ายคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเลยถ้าทําอย่างนี้แล้วความคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะลังงับไปหรือจะน้อยลงไปตามลําดับมันจะไม่หยุดทันทีทันใดมันจะแทรกเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้เราจะพุโทโธเดี๋ยวมันก็คิดถึงรูปเดี๋ยวก็คิดถึงเสียงอยากได้ฟังอยากฟังบ้างอยากดูมัง่งอันนี้เราต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้พยายามพุโทโธไปเรื่อยๆถึงแม้จะเผลอบ้าง เผอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างก็พอได้สติก็ดึงกลับมาหาพุโทโธทําอย่างนี้ไปใหม่ๆมันจะเป็นการชักกระเยอะกันเวลาเผอมันก็จะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพอได้สติเราก็กลับมาหาพุโทโธพุธโทโธทำอย่างนี้แล้วพอถึงเวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธิกันนั่งหลับตาแล้วก็บริการคพุโทโธพุธโทโธต่อไปไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้าเราใช้พุโทโธใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ ไม่จำเป็นยจะต้องเป็นพุธเข้าโทรออกแต่ก็ไม่ห้ามถ้าถ้าชอบดูลมด้วยแล้วก็พุธโทรด้วยก็ทําได้แต่แล้วนั่งสมาธิก็พุธเข้าหายใจเข้าก็ว่าพุธหายใจออกก็ว่าโทรอย่างนี้ก็ได้เป้าหมายก็คืออย่าให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นถ้าสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปคิดได้สักระยะหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะถ้าต่อเนื่องสักหนาที10นาทีนี้ ใจก็จะสงบเข้าสมาธิได้พอใจสงบตั้งมั่นอยู่ในความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่เรียกว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขเอินที่เหนือกว่าความสงบไม่มีไม่มีความสุขแบบไหนไม่ว่าจะความสุขของมหาเศรษฐีความสุขของพระราชามหากษัตริย์ความสุขของใครก็ตามนี้ จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าใครได้พบกับความสงบอันนี้แล้วจะสละหมดสละราชสมบัติสละตําแหน่งสละเงินเดือนสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ไปบวชกันบวชเพื่อที่จะได้ความสงบอันนี้มาเป็นสมบัติความสงบที่ได้จากสมาธินี้เป็นสมบัติยังเป็นความสงบชั่วคราวอยู่ เพราะว่าสติยังไม่สามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาแล้วก็ร่างกายก็ต้องมีการขยับขยื่นก็จำเป็นที่จะต้องออกจากสมาธิหลังจากสงบอยู่สักระยะหนึ่งก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวทางร่างกายร่างกายเมื่อยั้งนั้นเจ็บตรงนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถหรือต้องมีภารกิจทางร่างกายต้องทาก็จะไม่สามารถให้จิตนิ่งสงบได้ตลอดเวลา แต่พอออกมาก็ถ้ายังอยู่ในขั้นสมาธิขั้นสติอยู่ก็ต้องทำจเจริญสติต่อไปอีกอย่าอย่าทิ้งสติพ อ, อ, อจากสมาธิมาก็พุทโธต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวมันจะเริ่มคิดไปทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วถ้าปล่อยให้คิดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะพาให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสพาให้เราไปดื่มไปกินไปทําอะไร อ, อันนี้ก็เท่ากับการเดินถอยหลัง ถ้าเราควบคุมความคิดเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสได้แล้วเราก็ต้องพยายามคอยป้องกันไม่ให้กลับไปคิดนีพอจากสมาธิมาพอจิตเริ่มมีความคิดก็ใช้สติต่อพุโทโธพุโทโธต่อเพื่อที่จะได้ควบคุมใจให้ไม่ให้ไม่ให้ฟุง้งซ่านให้ใจว่างจากความคิดต่างๆเพื่อที่เวลาที่เราได้เปลี่ยนยอนยิริยาบถผ่อนคลายอิริยาบถของร่างกายแล้ว เราจะได้กลับเข้าไปนั่งสมาธิต่อยท่านสมาธินี้เราจะต้องทำบ่อยๆทำวันละหลายๆครั้งด้วยกัน <c oughs> ทำไปจนกระทัง่งเกิดความชำนาญและสามารถที่จะรักษาความสงบได้ตลอดเวลาเวลาจะออกจากสมาธิก็รักษาความสงบด้วยสติพอพอหมดพอหมดความสงบก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทำอย่างนี้ไปจนกว่าเราชำนาญในเรื่องสมาธิ ถ้าเราชำนาญทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ไปขั้นปัญญาได้ขั้นปัญญานี้ก็คือการศึกษาสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์นี่เองดูว่าธรรมชาติของสิ่งต่างๆนี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็มีมาบ้างมีไปบ้างมีเจริญบ้างมีเสื่อมบ้างยศตำแหน่งต่างๆก็มีเจริญบ้างมีเสื่อมบ้างไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรที่จะนิ่งเฉยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกข์ขังก็เพราะว่าสิ่งต่างๆนี้มันไม่ใช่เป็นของใครมันเป็นของธรรมชาติ ไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลานั่นเองต้องศึกษาให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสริญสุขก็ดีไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกต่างๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็ดีล้วนเป็นใจลักทงนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา การพิจารณาการสอนใจนี้ต้องทาตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้วอย่าทาตอนที่เราอยู่ในสมาธิเพราะเราไม่ต้องการให้จิตทางานในสมาธิเราต้องการให้จิตพักผ่อนให้มีกำลังมากๆเพื่อเวลาที่ออกมาจากสมาธิจะได้มีกำลังพิจารณาทางปัญญาได้นั่นเองพอเราพิจารณาไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะจำได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา พอเราเกิดความอยากให้มันเที่ยงหรืออยากให้เป็นของเราเราก็จะได้ห้ามความอยากนี้ได้ว่าทําไม่ได้ถ้าทําแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์เพราะว่าไม่มีอะไรเที่ยงอยากให้ร่างกายเที่ยงอยากให้ร่างกายไม่แก่มันก็ห้ามไม่ได้เดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องแก่ถ้าอยากให้มันไม่แก่พอมันแก่ก็จะทําให้ทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้ว่ามันห้ามไม่ได้มนันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปใจก็จะไม่ทุกข์เพราะไม่มีความอยากไม่แก่นั่นเองเพราะมีปัญญา เห็นว่าทุกอย่างมันมีของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือขั้นปัญญาถ้าเราทำถึงขั้นปัญญาได้เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเป็นตัวที่ทำให้เรานี่ติดอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดทำให้เราเป็นปุถุชนกันพอเราละความอยากขั้นต่างๆได้เราก็จะบรรลุเป็น เป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆได้จนถึงขั้นสูงสุดได้เมื่อเรารักความอยากได้ทั้งหมดที่มีในใจไม่มีความอยากได้อะไรออีกต่อไปใจเราก็จะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่บริสุทธิ์นี้เราก็เรียกว่านี้ผ่านใจที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีความอยากความอยากนี้ไม่มีความอยากที่จะดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไป เหตุที่ทำให้ใจต้องใบเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะความอยากที่ยังยังมีอยู่ในใจนี่พอชำระความอยากได้ด้วยตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปเมื่อไม่มีความอยากได้ก็ไม่ต้องมีการไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายตามมาอีกต่อไปทุกข์ก็หมดสิ้นไปอย่างที่พรเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น ตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ตาม น, นั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่ถ้าไม่ต้องการมีความทุกข์ก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เอามาฝากท่านในวันนี้เราคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยากทาวารวหาปุราปาริปุเรนติสาขลาง เอวเมววิโตทินางเปตางนังวุปปะปติอิจิตังปะิตังตุมหังคิะเมวะัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาดันโตปนาราสุยาธาเมนิโชติราสุยาธาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโคลีนัสตวมัเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสานิจังวุฒาปะจายโนยัตารุธรรมวัฏติอายุวันโนสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคาถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่เราจะคุยกันได้ถามได้เพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรจะเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือว่าจะมีมือถือก็ส่งข้อความผ่านทางมือถือเข้ามาทางเพจก็ได้วอ น, นี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับชมรับฟังทาง f a c e b o o สา9 1้อยเก้าสิบอ็ดท่าน y o u t u สอง3้อยสาสิแปดท่าน YouTube d กเตอรวหนึ่งร้อยสองท่านพิทยาออนไลน์แท่านก l ับเ o u ส e 1ิบท่านมากุติร้อยสิบอ็ดท่านรวมทั้งหมดแปดร้อยหกสิบขับประจานโอเคอมีคำถามเชิญถามได้เลยกาบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้หนูมีคาถาม อ, อยากจะขอคำแนะนำะพระอาจารย์ว่าวิธีปฏิบัติแล้วก็จัดการกรณีที่เรามีความรู้สึกเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะรู้สึกยังไงล่ะยกตัวยอย่างเช่นรู้สึกกลัวหรือว่ามีความรู้สึกที่มันเึงดึงสติกับมา เป็ใญ่ผลที่เรามีความรู้สึกต่างๆเพราะเราไม่มีสติควบคุมใจวามมีความรู้สึกเราพุโทโธพุโทโธไปสวดมนล์ไปเราเดี๋ยวสักพั้หนึ่งความรู้สึกต่างๆมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่ใช้สติใช้พุโทโธมันก็จะยิ่งคิดไปใหญ่ยิ่งยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งยิ่งกลัวใหญ่มันเป็นผลจากการที่เราไม่ควบคุมความคิดของเราพอ ใ, ใจเราคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเกิดความ อารมณ์ต่างๆขึ้นมาเรนต้องใช้สติต้องมีหมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะว่างจะเบาจะเยน็นจะสบายไม่มีอารมณ์ต่างๆไม่มีความรู้สึกต่างๆเจ้าค่ะจะเอาพุโทโธนะ่าด่าลืมตามขึ้นมาฝึกไปเจ้าค่ะแต่แบบนี่จะต้องพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืน <Ừ. S 1> เผลอบ้างไม่เป็นไรถ้าเราทําไปแล้วแมเ้เวลามันเผลอก็ดินกลับมาได้ง่าย ถ้าถ้าไม่ทำเลยมันไปยาวเลยมันลืมไปเลยเจ้าค่ะมันลืมพุดโธกันพาเกิดอารมณ์แล้วก็งงว่าจะทำาไงดีเน้กแต่พูดโธไว้ทันทีเลยทนะามาเรื่อยๆเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะมีคำถามจากทางหน้ากุฏิค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ ถ้าเราทำสินห้าไม่ได้ทุกวันสติสมาธิปัญญาจะเกิดไหมเจ้าคะคือสินห้ามันก็เป็นเรื่องของการที่จะทําให้เรานี่มันควบคุมการกระทําของเราการป้องกันการกระทําที่ไม่ดีซึ่งการกระทํำที่ไม่ดีมันก็เกิดจากการไม่มีสตินะเห็นไหถ้าถ้ายังกันไม่ให้ ไม่ให้ทำบาปได้นี่จะไปทำอย่างอื่นที่ละเอียดกันนี้มันก็ยากเนสงสต้องใช้สติกัน้นไม่ให้เราไปทำบาปให้ได้ก่อนอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ ะ, ะถามมาว่าจำเป็นต้องทำบุญบ้านหรือไม่เจ้าพระพาาจารย์อบ้านรืไม่รู้เรื่องเอาไปทำมาให้มันทำไมเราทำบุญทำให้ตัวเราทำให้ใจเราเออใจเราต้องการบุญบ้านไม่ต้องการอะไรหรอก บ้านมันก็เป็นบ้านมันอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันเป็ น, ปนวัตถุมันไม่มีความรู้สึกผู้ที่ทําก็คือผู้ที่ต้องการบุญก็คือใจใจของแต่ละคนถ้าใจเราอยากจะมีความสุขเราก็ทําบุญกันทีดาจะมีหาหาหาโอกาสขึ้นบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่แล้วก็ทําบุญข้อหน่อยแต่ทําไม่ได้ทําให้บ้านหรอกทำให้เรา ทำบุญบ้านแล้วมันไม่ได้ปป้องกันน้ําท่วมมันไม่ป้องกันไฟไหม้ได้นะถ้าไฟมันจะไหม้บ้านมันน้ํามันจะท่วมมันก็ท่วมอยู่ดีไม่ว่าจะทําบุญหรือไม่ทําบุญมันไม่เกี่ยวกันต้องเข้าใจนะต้องซื้อประกันถ้ากลัวน้ําท่วมกลัวไฟไหม้ก็ซื้อประกันไวอย่าไปทําบุญทําบุญแลกันไม่ได้ทําบุญทําให้ใจเราสบายแค่นีาใจมีความสุข ม่มีคำถามจ้าค่ะไมมีเลยเลยเห็นประเพณีธรรมเนียมต่างๆนี่เป็นความเชื่อมาถ้าขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องทําบุญแต่งงานก็ต้องทําบุญแต่วาตยากันไม้นทําบุญเนเวลาตยามันควรจะทําบุญเวลาที่มันทุกข์ไม่มีความสุขกะต้องทาบุญแก้ความทุกข์ที่เกิดจากการหยา ก, กันเวลาแต่งงานมันสุขไม่ต้องทําบุญหรอกเพราะนั้นมันสุขเวลาไปทําบุญทําไมา ทำผิดเวลาเวลาเวลาหยากระต้องเป็นเวลาที่เราต้องไปทำบุญกันเวลาหยากันก็ไปถือศีลกันไปเข้าวัดกันไปทำใจกันไปหาทำใจให้สงบดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการหยากันระฉนั้นเรื่องของการทำบุญนี่ความจริงมันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆแล้เพียงแต่เราไปเชื่อมโยงมันเองวันเกิดต้องทำบุญกันปีใหม่ต้องทำบุญกัน อันนี้เป็นเพียงแต่หาเหตุทําบุญเพราะถ้าไม่มีเหตุอะไก็จะไม่มีทําบุญเลยความจริงต้องทําบุญทุกวันนะเรื่องทานนี้ควรจะฝึกทําทุกวันทํามากทําน้อยก็ทําไปหบาทสิบบาทก็ได้เช่นเราก็เอาเงินใส่กขาปลูกไว้ก่อนวันละห้าบาทสิบบาทแล้วพอวันไหนเราไปวัดเราก็เอาเงินที่เราสะสมไว้เนี่ยเอาไปถวายวัดก็ได้ทําบุญเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมา มันฝึกไว้ให้มันเป็นนิสัยเพราะการทําบุญการเสียสละแบ่งปันมังให้เรามีความสุขใจนะถึง แ, แม้จะเล็กๆน้อยๆมันก็ดีกว่าไม่มีเลยห้าบาทสิบบาททําไปใสก่กระปุกไปทุกวันทําให้มันเป็นนิสัยแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วพอรวมกันชิ้นเดือนมันก็ได้เยอะเลยดีกว่าที่เราไม่เก็บไม่ทําบุญเลยพอไปทําบุญจริงๆก็ทําได้นิดเดียว ไปวาดทีก็ซื้อสังฆทานสองร้อยสามร้อยบาทจบแต่ถ้าเราทำบุญทุกวันเก็บใส่กระปุกไว้บางทีได้าาจจะทำได้เป็นพันเลยก็ได้งั้นก็พยายามฝึกนิสัยการทำบุญทําทานให้มันเป็นนิสัยไปมีจากทาง YouTube นะคะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความคำว่าบัณฑิตไม่พึงปราธนาบุตรเจ้าค่ะบัณฑิตไม่พึงปาถนาบุตร ค, คนเจริไม่ควรจะมีลูกอาาไห เพราลูกมันเป็นพาละมีลูกแล้วสบายที่ไหนนะ่ะถามพ่อแม่ที่มีลูกมีสบายที่ไหนต้องคิดแล้วที่จะาหาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวซื้อนมซื้ออะไรต่างๆต้องคอยเลี้ยงดูลูกต้องคอยปกป้องรักษาลูกป้องกันลูกขาดจากสายตาหน่อยก็ทุกข์ลวให้หายไปไหนเป็นอะไรไปหรือเปล่าฉนั้นคนที่ไม่ต้องการความทุกข์คนจะลาดเขาไม่ต้องการความทุกข์แล้วเขารู้ว่าการมีลูกนี้เป็นความทุกข์ พระพุทธเจ้าพอได้ข่าวว่าได้ลูกชายพอพอภรรยาคลอดลูกเขาก็ส่งข่าวมาบอกพระพุทธเจ้าบอกพรองตอนนี้พนางได้คลอดลูกเป็นผู้ชายแนละ้วพระพุทธเจ้าก็บอกราหุนลาหุ น, หนไอประหารเล็กก็คิดว่าตั้งชื่อราหุนแต่ก็จริงราหุนแปล ว, ว่าบ่วงบ่วงของความทุกข์ความทุกข์จะมาลัดตัวพระพุทธเจ้านะก็เลยพระพุทธเจ้าเลยบอกต้องหนีแนละ้วอยู่ไม่ได้แนละ้ว ก็เลยต้องหนออกจากวังในคืนนั้นเลยพอได้ข่าวว่าภรรยาได้คลอดลูกออกมาเพราะถ้าอยู่นั่นมันผูกพันอย่างนี้นะมันรักกันมันห่วงกันมันห่วงกันตัไปจนวันตายเลยนะไม่มีการที่จะไม่คิดถึงกันพ่อแม่นอาจจะคิดถึงลูกตลอดเวลาแต่ลูกอาจจะไม่คิดถึงเพราะพ่อแม่ลูกมันมักจะไปคิดถึงแฟนอย่างมากกว่า จากคุณวรรัตค่ะถามมาว่าถ้าเรามีอาชีพมีวิชาชีพแต่แต่ขอขอขอไค่ะถ้าเรามีอาชีพสอนวิชาชีพแต่เขาสามารถเอาไปทำบาปได้เช่นสอนบินโดรนการเกษตรที่สามารถพ่นปุ๋ยและยาฆ่ามแมลงได้ควรหลีกเลี่ยงอาชีพนี้หรือไม่ครับอาชีพ ท, ที่ไปทำลายชีวิตของผู้อื่นไม่ควรที่จะทำ อาชีพขายยาฆ่าสัตว์มาแรงอะไรต่างๆหรือขายพวกเครื่องดักสัตว์ต่างๆไม่ควรทำเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการฆ่ากันจากคุณมินนี่ค่ะการพาแมวหมาไปทำหมันเป็นบาปหรือไม่คะไม่บาปเพราะการทำหมันเพียงแต่เป็นการห้ามไม่ให้ตั้งคันนั่นเองจากคุณพันธิวาค่ะ ทำไมดูพระอรียเจ้าทั้งหลายท่านดูสีหน้ามีความสุขแล้วก็อิ่มเอิบรวมทั้งพระอาจารย์ด้วยมากกว่ายาตโยมที่มีฐานะร่ำรวยครับก็ลองทำดูเลยลองทำดูจากทางดรบีเจ้าค่ ะ, ะกล่ารรมสการหลวงพ่อค่ะจะใช้อุบายอย่างไรให้ลูกชายลองทำสมาธิเจ้าค่ะก็ทำตามทำทำตามนําเขาทําเลยช่วยเขาทํา มันนั่งสมาธิกับแม่มันนั่งสวดมนต์กับแม่หน่อยนั่งพุโทโธพุโทโธไปเราต้องทําด้วยไม่ใช่ไปสอนเขาไปบอกเขาแล้วเราไม่ทําบอกให้ลูกไปนั่งสมาธิแม่ไปนั่งดูยู u ูบอย่างนี้มันก็ไม่ได้แม่ปู่สอน ล, น, น, นลูกปู่เคยได้ยินนิทานไหแม่ปู่เห้ลูกปู่เดินเฉไปเฉมาก็เลยบอกลูกอย่าไปเดินอย่างนั้นให้เดินตรงๆมันจะได้สวยงามแต่เวลาแม่เดินแม่เดินยังไงแม่ก็เฉไปเฉมา ลูกมันเห็นแม่ทําอะไรมันก็ทําตามแม่อย่าง <Okay. S 1> แม่เนี่ยวันนี้พ่อแม่มาวัดก็พาลูกมาวัดเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่มาวัดลูกมันก็ไม่ได้มาวัน <Okay. S 1> พ่อแม่ไปสูนย์การค้ามันก็ไปศูนยการค้าฉะนั้นการกระทําเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นการสอนที่ดีที่สุดสอนด้วยวาจาไม่ไม่ไม่มีน้ําหนักเท่ากับสอนด้วยการกระทําด้วยพฤติกรรมของเราหมนได้เหรอเจ้าค่ะโอเคหมนแล้วก็เอาให้ได้ ก, กันนะ ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ